ตัวเราก็ไม่มีเม็ส่วนหนึ่งของโลกโลกก็มีแต่ไม่มีอะไรอย่างนี้ใจอยู่กระทำในอันเดียวกับธรรมมีแต่ความสุขล้วนๆเลยมันไม่มีภาระที่จะต้องแบกหามอะไรสักนิดเดียวสบายสบายมากนะ <c oughs> แต่ก่อนโน้นพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าจัดสรู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เห็นโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไร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 งั้นบัญญัติสังเกตให้ดีเวลาท่านพูดถึงทำแท้ๆบัญญัติของท่านจะเป็นเชิงปฏิเสธว่างไม่มีเนีเย่ยอะไรเงี้ยว่างเปล่าไม่มีตัวมี ต, มตนอันนี้ก็ไม่ใช่นะอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะอย่างน้อยก็ไม่ใช่นะไม่ใช่อะไรสักอย่างก็ไม่ใช่อีกนะทำาน้ำจะออกเพูดออกมาแล้วน้ำจะเป็นเชิงปฏิเสธนี่พอปฏิเสธพอคนฟังเนะี่ยฟังด้วยใจที่มีมิจฉาทิฏฐิ ก็เลยคิดว่าว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยความจริงมันมีมีแต่ไม่มีอะไรบางวันใจเราอยู่กับธรรมะนะให้พูดธรรมะนี่ยากที่สุดเลยไม่มีอะไรจะพูดนะไม่มีอะไรแกพูดเรางปูดนทัาฑ์ใช้คำว่ามันเหนือคำพูดเหนือคาพูดการจะต้องค้นคว้าแล้วบัญญัติขึ้นมาเนี่ยเป็นภาระทาระกระจิต เ็นการใช้ธาตุใช้ขันทางานเมืน่นก่อนเนอะหลวงพ่อไม่ค่อยได้ฟังธรรมะที่สะใจมานานแล้วธรรมะที่สะใจทั้งสุดท้ายที่ได้ยินนะคือหลวงพ่อคาเขียนไปหาท่านไปเยี่ยมท่านไม่สบายเมื่อเดินพุศจิการท่านบอกโอ้ยผมไม่มีอะไรแล้วผมอยู่กับความไม่มีไม่เป็นอะไรหรอกหูสะใจะสะใจจริงจริง จริงๆแล้วอยู่กับความไม่มีไม่เป็นแต่ความสําคัญมั่นหมายของเราก็วาความเห็นผิดนะสําคัญว่ามันมีมันเป็นขึ้นมามันมีเรามีเขาขึ้นมากว่าเราจะข้ามทิิที่ว่ามันมีเรามีเขาขึ้นมาได้นี่นะข้ามยากอันนี้เป็นทะเลหรือเป็นมหาสมุทรอันแรกนะของผู้ปฏิบัติเรียกว่าโอเคโอเคว่าพ่วงน้ําพ่วงมหาสมุทรอนะไรอย่งนี้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 เวลาเราเมงโลกนะสะดุดปับ๊บขึ้นมาเลยเกิดเราเกิดเขาเกิดสัตว์เกิดคนเกิดต้นไม้เกิดสิ่งโน้นเกิดสิ่งนี้โลกนี้รุ่มรุ่ ม, มดอนๆในทางมหายานนะเคยมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งราัสาลีบุตรไปบอกพระพุทธเจ้าบอกพระองค์คสร้างบารามีไม่ค่อยดีเท่าไหร่พุทธเกษตรของหรือโลกของพระองค์เนี้ยดูลุ่มลุ่มดอนดอน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 อีกพวกหนึ่งเห็นว่าตัวเรามีอยู่แล้วตายไปแล้วก็หายไปเลยนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเรียกว่าอุเฉททิฏฐิรากเงาของมันก็เริ่มมาจากความมีตัวเรานี่แหละมีตัวเราแล้วก็มีตัวเราอย่างเที่ยงแท้ถาวรหรือมีตัวเราชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็หายสาบสูลไปทะเลทิฏฐิเนี่ยจะข้ามได้นะต้องเป็นพระโสดาบันเงินสีทะเลเนี่ยพวกเราอย่างข้ามไม่ได้สักทะเลหนึ่งนะ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 เวลาดูเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์มันจะรู้สึกว่าเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งมีช่องว่างนะไม่ไม่เป็นอันเดียวกันมีช่องว่างมาขั้นเวลาดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลนะเห็นเลยอ่ะกุศลหรือกุศลทั้งหลายนะกับจิตเนี่ยคนละาันกันมีช่องว่างมาขั้นพวกเราดูออกแล้วใช่ไหเนี่ยเราดูไปเรื่อยนะเนี่ยใจเราตั้งมั่นะมันจะสักว่ารู้สักว่าดูได้เสร็จแล้วปัญญามันถึงจะเกิดนั่นจะเห็นเลยทุกสิ่ง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 เหลืออีกสามทะเลข้ามยากนะทะเลหรือโอคะตัวต่อไปคือกามข้ามยากพวกเราเห็นแต่กามมาคุณเราไม่เห็นกามมาโทษนันเราข้ามไม่ได้อ่ะกามคืออะไรกรามก็คืออารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจอย่างเราเห็นรูปที่สว ย, สวยรูปนั้นเรียกว่ากาม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 เราเห็นว่าถ้าเราได้อารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจแล้วเราจะมีความสุขนั้นเราเห็นว่ากามเนี่ยนำความสุขมาให้ยากนักยากหน า, น, าน่าจะกล้าข้ามพ้นอํานาจของกามได้ถ้าไม่ใช่พระอนาคามีข้ามไม่ได้นี่ทํอยังไงถึงจะข้ามพ้นทะเลอันที่สองคือทะเลกามเคยได้ยินที่ไหมคนชอบพูดทะเลกามแต่ไม่มีคนพูดทะเลทิฏิไหมพออไเพราะอะไรเพราะไอคนพูดยังมีทิฏอยู่ ก็พูดไปอย่างนั้นแหละทะเลการมข้ามยากข้ามยากต้องรู้ลงมาอีกรู้ลงมาในกายในใจเนี่ยนะมากๆจนวันใดเห็นวนะ่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยเห็นอย่างนีนะ้มันจะหมดความเพลิดเพลินยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพะทั้งหลายหมดความติดอกติดใจในกรรมคุณทั้งหลายมันหมดของมันเองนะถ้ามันเห็นไนอะ้ตัวนี้ย่างสังเกตไหม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 หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสจิตใจยังไม่ยินดีินร้ายมันไม่รักกายมันก็จะไม่รักกรรมไนะอทะเลทิิศนี่ยเหมือนทะเลที่กว้างนะถ้าเทียบเหมือนทะเลที่กว้างขวางไร้ขอบไร้เขตหลงเข้าไปแล้วไม่รู้จะไปทางไหนเลยไม่รู้เหนือรู้ใต้ดังนะนั้นปุถุชนทั้งหลายเนี่ยหลงอยู่ในทะเลที่ไม่รู้ว่าฝั่งอยู่ทางไหนนะมีพระพุทธเจ้ามาบอกทางว่าทางนี้ทางนี้นะคนที่รู้ทางนะ นี่ค่ะสุาบันรู้ล้ไปทางนี้แหละปลอดภัยงั้นจะข้ามทะเลทิชชีได้เนี่ยยากเป็นทะเลที่กว้างไรขอบไร้เขตดูอะไรดูไม่ออกหรอกดูยากเมื่อข้ามได้ด้วยการที่เห็นลงมาในกายในใจว่าไม่ใช่เราทะเลกรามเนี่จะข้ามได้เมื่อหมดความยึดถือกายหมดความยึดถือในกายถัดาจากนั้นเหลืออีกสองทะเลนะ คือทะเลของภพกับทะเลของอวิชชาเรียกว่าภาวะโอค่ะกัอวิชชาโอค่ะโอค่ะคือพระภพโอค่ะคืออวิชชาพ่วงน้ำภพคืออะไรภพคือการทํางานของจิตสัง เ, เกตไหมพวกเราภาวนาเห็นไม้มจิตทํางานทั้งวันทั้งคืนหมุนจีจีจทั้งวันทั้งคืน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 เกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจนี่จะข้ามพบข้ามชาติได้ก็ต้องละตันหาได้นี่ตัณหาเกิดจากอะไรตัณหาเกิดจากอวิชานี่ทะเลตัวสุดท้ายนีย่ข้ามยากที่สุดถ้าข้ามตัวนี้ได้นะก็จะหลุดจากไอ้น้าเชี่ยวนี้ได้ด้วยอวิชาเหมือนทะเลหมอกน้ำสงบนะไม่มีคลื่นไม่มีลมสบายๆแต่เหมือนมันหมอกปกคลุมจนไม่รู้อะไรเลย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 แต่วันหนึ่งเรียนจนกระทั่งรู้ชัดเลยขันหานี้ทุกล้วนๆนะ่ะไม่มีทางอยากให้มันมีความสุขแล้วไม่มีทางอยากให้มันพ้นทุกข์อีกต่อไปแล้วมันไม่สมหวังมันทุกล้วนๆใจเข้าถึงตรงนี้ใจยอมรับตรงนี้จริงๆแล้วจะสลัดคืนเลยจะหมดตันหาแล้วก็สลัดคืนความยึดถือกายยึดถือใจให้โลกคืนเจ้าของเดิมคนหนึ่งจิตใจก็จะเข้าถึงความสงบสันติที่แท้จริงคือนิโรธหรือนิพพาน บาทีก็มีหลายชื่อนะอุปัสสมาก็ได้ะมีหลายชื่อเยอะแยะเลยชื่อความจริงก็คือความสงบสันติทึ่งมันพ้นทุกข์พ้นกิเลสพ้นความยึดถือในธาตุในขันธ์ในกายในใจนี่เองเอพ้นปั๊บนะเ่าจะเห็นโลกนี้มีแต่ไม่มีอะไรโลกนี้มีอยู่แต่ไม่มีอะไรเลยว่างเปลา่าว่างเปล่าไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรเลยมันว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตน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 แล้พุทธเจ้าท่านก็เลยใช้เอาง่ายๆอ่ะนิ่พานังปรมังสุขังโคตรสุขเลยมรรมสุขเลยไม่รู้จะใช้คำอะไรละใช้คําว่าปรามังสุขังมรรมสุขเลยความสุขของโลกโลกที่พวกเรารู้สึกนะรู้จักกันความสุขรุ่มรุ่มดันดอสุขสุขดิบดิบเป็นความสุขร้อนร้อนสุขสุขเผ็ดเผ็ดเนอะเผ็ดร้อนรุนแรงสุขชั่วครั้งชั่วคราวได้มาแล้วก็เสียไป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 ถ้าเราจับไปนะเราจะรู้สึกมันไม่มีตัวเราในก้อนนี้แล้วเวลาลความสุขความทุกขเกิดขึ้นเราก็รู้ไปตรงๆเหมือนที่เรารู้สัมผัสมืออย่างเงี้ยกุศลนะกกุศลกเกิดขึ้นรู้มันเข้าไปตรงๆนั่นแหละแล้วจะมันจะบอกเราไหมว่าเป็นตัวเรารไม่มีพนะูดสักคำหนึ่งความเป็นตัวเราจริงๆไม่มีนะความเป็นตัวเราจริงๆเกิดจากความคิดล้วนๆเลยคิดเอาเองว่าเป็นเราถ้าไม่ไปหลงอยู่ในโลกของความคิดนะ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 อัจากนั้นสิ่งที่ห่อหุ้มปิดบังาธาตุรู้ไว้จะถูกแหวกถูกทำลายออกชั่วขณะจะแวกออกจิตที่เป็นอิสะระล้วนรวนเลยที่สัมผัสกับธรรมะคืนนี้ผ่านล้วนๆเลยจะปรากฏขึ้นมาเสร็จแล้วจิตจะถอยออกมานะตรงนี้ไม่มีคำพูดนะแวบเดียวเองแต่มีสติมีสมาธิมีปัญญามีอะไรพร้อมอยู่ตรงนี้เลย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 อย่างจะหยิบอะไรสักอันนึงกำหนดไปเรื่อยให้จิตมันแนบอยู่ที่มือเนี่ยเพ่งมากๆนะจิตจะดับลงไปจิตดับแล้วก็สำคัญมั่นหมายว่าบารรลุธรรมแล้วดับสี่หดก็เป็นพระอรหันตนะ์ออกมาจากพระอรหันต์ก็มาทะเลาะกับเมียเหมือนเดิมเลยนะลา ก, กิเลสไม่ได้จริงในขณะที่บรรลุมากคนนิพพานมีจิตแนละ้วไม่ใช่ไม่มีจิตนะขณะที่บรรลุอริยมรรคก็มีมรรคจิต ขณะที่บรรลุอริยผลมีผรจิตมรรคจิตมีสี่ดวงผรจิตอีกสี่ดวงที่เลขมรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งคนโะบราณชอบพูดถ้าพูดอย่างละเอียดก็มียี่สิบอย่างละยนะี่สิบเพราะว่ามันเจือด้วยฌานเข้าไปแต่ละชนิดฌานมันไม่เท่ากันมีฌานห้าอย่างนั้นจิตที่บรรลุมรคผลนี่รวมแล้วมีจิตตั้งสี่ิบดวง พวกเรารุ่นหลังๆนะเราเชื่อคำสอนของอาจารย์มากไปเราคิดว่าเวลาบรรลู้มากคนนี้ผ่านจิต ด, ดับวูปลงไปหมดสติพอรู้สึกตัวขึ้นใหม่บอกบรรลู้ไปแล้วตรงที่จิต ด, ดับลงไปนั้นคืออาสัญญสัตต า, าภูมิคือพลมลูกฟักนะมีองค์หนึ่งท่านเล่นเมื่อกี่วันเลยเนี่ยท่านอนุสอนเนี้ยเาลองเล่นๆกับท่านนะดับปั๊บเลยแล้วท่ารู้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะมันขาดสติ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 กฎของธรรมะนี้พอได้โสดาบันแล้วเนี่ยการภาวนาก็ยังทําอย่างเก่านั่นแหละการทําภาวนาอย่างเก่ารู้กายไปรู้ใจไปมีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันทีละขณะทีละขณะคําว่าปัจจุบันก็คือหนึ่งขณะจิตต่อหน้าเรานี้แหละรู้ลงทีละขณะทีลขณะนิดเดียวเล็กนิดเดียวหนึ่งขณะสําคัญนะในทางศาสนาพุทธอะไรหนึ่งหนึ่งเนี่ยสำคัญทั้งนั้นเลย แล้วภาวนาไปจนถึงจุดสุดท้ายนะจิตเป็นหนึ่งนะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์ก็เป็นหนึ่งธรรมก็เป็นหนึ่งครูบาอาจารย์บางองค์เรียกว่าเอกจิตเอกธรรมหรือจิตหนึ่งธรรมหนึ่งองค์เรียกถีติจิตถีติธรรมนะฮแล้วแต่จะเรียกเป็นหนึ่งทั้งหมดเลยหนึ่งเดียวรวดงั้นภาวนาอยู่กับหนึ่งพนาจิตต่อหน้าเนี้ยไม่มีตัวมีตนไปรู้ไปรู้ไปนะถึงจุดหนึ่ง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 เวลามีจิตใจเข้าถึงความบริสุทธิ์แล้วมาดูโลกดูสรรพสัตว์ดูตัวเองดูอะไรต่ออะไรทั้งหมดเนี่ยเขจะเห็นเป็นหนึ่งเหมือนกันคือว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนเสมอกันหมดเลยนะภาวนานะถึงจุดสุดท้ายเข้าถึงจิตก็เป็นหนึ่งธรรมก็เป็นหนึ่งนะอยู่กับความเป็นหนึ่งั่นแหละอยู่กับความไม่มีอยู่กับความไม่เป็นอะไรนี่ฟังของหลวงพ่อคำเขียนท่านพูดท่านอยู่กับความไม่มีไม่เป็นอส่าใจ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 สติปัฏฐานไม่รู้จักอริยสัจไม่รู้จักไตรลักษณ์อะไรอย่างเงี้นะไม่ไหวภาวนาไม่ไหวพวกนี้เป็นความรู้พื้นฐานนั่นจะเรียนพวกนี้นะหลวงพ่อเขียนไม่ให้อ่านแล้วนะเยอะแยะเลยนะไปอ่านเราเองช่วยตัวเองหลวงพ่อช่วยไม่ไหวแล้วนะเรือหลวงพ่อลำเล็กนะหลวงพ่อเป็นเรือบดลำเล็กๆเอาตัวรอดซะแล้วแหละทายทุก ป, ป่องทุก ป, ป่องข้ามทะเลของหลวงพ่อเอาเองพวกเราก็ต้องหาเรือของเราเองนะ สิ่งที่จะเป็นเรือให้พวกเราคือทำนั่นแหละทำอะไรบ้างเน่สติสมาธิปัญญานั่นแหละสติสัมมาสมาธิปัญญาหรือสัมมาสติสัมมาสมาธิสมาธิตจิตสิ่งเหล่านี้ต้องพัฒนาขึ้นมาขั้นแรกพัฒนาสัมมาสติก่อนไปอานเอาเองนะเขียนให้อ่านเยอะแยะแล้วทายังไงสติที่เป็นสติแท้ที่เป็นสัมมาสมาธิสัมมาสติจะเกิด สติคือความระลึกได้ฝึกยังไงแล้วสติระลึกได้เองหลวงพ่อพูดอย่างนี้แต่แรกๆนะคนไม่เชื่อนะว่าสติเกิดเองอะ่ะมาเถียงหลวงพ่อก็มีนะขนาดทําแทบตายมันยังไม่เกิดเลยแล้วทําไงมันจะเกิดเองได้จริงๆมันก็ไม่ได้เกิดเองหรอกมันมีเหตุมันถึงจะเกิดจิตมันจําสภาวะธรมได้แม่นยําสติก็เกิดพอสติเกิดนะจิตก็เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลก็มีความสุข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 เมื่อมรรคผลเกิดแล้วจะเกิดวิมุตยานทัศนะขึ้นจะเข้าใจสภาวะแห่งความหลุดพ้นภาวะแห่งความหลุดพ้นก็คือความไม่มีไม่เป็นอะไรที่เล่าให้ฟังนั่นเองมีแต่ความสุขล้วนๆนะไม่ใช่ไม่มีไม่เป็นแล้วแห้งแล้งนะอมีแต่ความสุขล้วนๆแต่ก็ไม่ใช่โลกโลกหนึ่งอย่าสําคัญมั่นหมายว่านิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งพระพุทธเจ้านั่งเป็นประธานอยู่แวดล้อมด้วยพระสงฆ์มากมายห้อมล้อมอยู่ พระพุทธเจ้านั่งแสดงธรรมทั้งวันทั้งคืนใครจะไปนั่งฟังน่ะใครจะไปฟังฟังทำไมอะ่ะแล้วจิตก็ะทำมันเป็นอันเดียวกันจะไปฟังอะไรอีกฝึกเอานะฝึกเอาเบื้องต้นฝึกให้เกิดสติจะให้มีสติต้องหัดจำสภาวะให้ได้จะจำสภาวะได้ต้องเห็นสภาวะบ่อยๆวิธีจะเห็นสภาวะบ่อยๆเบือ้องต้นทากรรมฐานสักอันหนึ่งก่อน หัดพุโทโธก็ได้หัดรู้ลมหายใจก็ได้หัดดูท้องคลองยุบก็ได้หัดขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้หัดรู้อิริยาบทสี่ก็ได้หัดรู้เวทนาก็ได้หัดรู้จิตก็ได้อันเดียวเื้องต้นเอาอันเดียวก่อนอะไรก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ทําเพื่อให้จิตนิ่งพวกเราส่วนมากพอไปรู้อารมณ์อณันใดอหนึ่งแล้วชอบบังคับให้จิตนิ่งเช่นพอไปรู้ลมหายใจก็เอาจิตไปแนบไว้ที่ลมรู้ท้องคลองยุบก็เอาจิตไปแนบไว้ที่ท้อง เดินจงกรมยกเท้าย่างเ้าเอาจิตไปแนบไว้ที่เท้าเอาจิตไปแนบไว้กับอารมณ์มันเดียวได้สมถะนะเป็นการเพ่งอารมณ์เรียกอารามณูปนิชฌานเป็นสมถะนี่เราเรื่องต้นเราก็มีอารมณ์กรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราคุ้นเคยแล้วหัดดูสภาวะวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อเอาความสงบอย่างเดียวแต่เพื่อหัดรู้สภาวะวันใดจิตใจฟุ้งซ่านเรารู้อารมณ์กรรมฐานเพื่อให้สงบ วันใดจิตใจเรามีเรี่ยวมีแรงแล้วเรารู้ว่ารมกรรมฐานานั้นเพื่อหัดรู้สภาวะเช่นเรารู้ลมหายใจเข้าออกเนะี่ยรู้ไปเล่นๆอย่าบังคับให้ใจซึมซมทื่อๆนะของคุณไปบังคับละอย่าบังคับรู้เฉยๆดูด้วยใจที่โปง่ปงโป่งดูด้วยใจที่สบายต้องต้องสบายนะจิตที่เป็นอกุศลเท่านั้นนะถึงจะแน่นๆ่นจิตที่เป็นกุศลมันโปร่งมันโลง่งมันเบา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 หายใจไปหายใจไปจิตเข้าไปเพ่งเป็นแนบอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันว่าจิตไปอยู่ที่ลมแล้วหายใจไปหายใจไปจิตมีปีติขึ้มารู้ว่ามีปีติจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขหายใจไปแล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยต่อไปเราจะจําสภาวะได้มากมายเลยจิตหลงไปคิดเราก็รู้จักจิตเข้าไปเพ่งเราก็รู้จักจิตสงบก็รู้จักจิตฟุ้งซ่านก็รู้จักจิตเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้จักนะ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 เห็นรูปก็รู้แล้วนี่เมียหลวงต้องอ้วนๆถือศากกระเบืออันหนึ่งนะเป็นอาวุธนะถ้าเมียน้อยต้องเอีงบางร่างน้อยเนี่ยดูในกระตูลเขาก็เขียนอย่างงั้นความจริงอนุภรยาคือภรรยาที่มาทีหลังนะอนุพัสนาคือการตามเห็นนะึ่งจิตตานุปัสนาคือการตามเห็นจิตนะจิตโลภขึ้นมาแล้วก็กรู้ว่าจิตโลภจิตโกรธขึ้นมาแล้วรู้ว่าจิตโกรธจิตหลงแล้วรู้ว่าจิตหลงนะ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 รู้ลมหายใจใจไปอยู่ที่ลมนะขยับมือหย่างหมอรังสันแต่ก่อนเนี้ขยับมือใจไปอยู่ในมือนี่ถลําลงไปรู้นี้จิตไม่ตั้งมั่นนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่มีสัมมาส ม, มาธิปัญญาจะไม่เกิดแต่ถ้าจิตตั้งมั่นมันจะเห็นเลยไอ้ตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี้มันไม่ใช่เราเห็นทันทีเลยจะเห็นทันทีความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เห็นทันทีว่าไม่ใช่ตัวเราครูสนอนอาครูสอนทั้งหลายก็จะเห็นทันทีว่าไม่ใช่ตัวเรา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 ฝึกน้าแล้ววันหนึ่งจะได้เห็นโลกว่างเปล่าเคยมีคนหนึ่งชื่อโมกราชโมกราชเป็นลูกศิษย์พรามภาวรีตรามภาวรีเนี่ยเป็นพราหมใหญ่สมัยพุทธกาลมีลูกศิษย์เอกอยู่สิบหกคนนี่พอพรามภาวรีได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วก็ เ, เลยส่งลูกศิษย์สิบหกคน ไปศึกษาธรรมะจากพระพุทธเจ้านี้น้ำใจของครูบาอาจารย์นะไม่ได้กีดกันห่วงแหนเอาลูกศิษย์ไว้เลยตอนนี้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วส่งไปเลยสิบกท่านบอกให้ไปถามปัญหากับพระพุทธเจ้าก็มีองค์หนึ่งเป็นถ้าตามเซนิลิตี้นจะเป็นอันดับสามประมาณนั้นนะพอองค์ที่หนึ่งถามองค์ที่สองถามนะถึงท่านท่านโมคราชชื่อท่านโมคราชก็จะถามบ้าง บอกค่าแต่พระองค์ผู้เจริญเราเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงไม่เห็นเรายทํานองเนี้ยเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงยังมองไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่ตอบท่านก็รอไปเดี๋ยวคนอื่นถามอีกนะแล้วท่านก็ถามแทรกอีกพระพุทธเจ้า ก, ก็ไม่ตอบนะจนถึงอันดับรองโลเลยท่านโมคาราชเกาบอกว่าเนี่ยผมถามมาสองครั้งนะนี่ครั้งที่สามแล้ว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 คำโลกไม่ได้แปลว่าโลกข้างนอกนี้นะคำว่าโลกในทางศาสนาพุทธนี่คือขันห้านั่นเองคือรูปกับ น, นามคือกายกับใจเรา่านี้งที่เรียกว่าโลก เ, เลยมีคำว่าโลกนี้ใช่ไหมยาวาอะไรหนาห น, นาคืบกว้างสอกอะไรเงี้ยแต่หลวงพ่อต้องหลายสอกหน่อยเนี่ยโลกสิ่งที่ท่านเรียกว่าโลกก็คือกายกับใจนั่นเอง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 อีกแป๊บเดียวรถทัวร์เข้ามาหลายคันเลยท่าอ๋อหนีพวกนี้เองพวกนี้มาถึงก็จะอ้าเป่ากระมอมเป่ากระมอม <c oughs> ให้คนอายุเกือบร้อยปีเปล่าร้อยคนก็ตายแล้วนะะ <c oughs> ไม่ได้มเมาธรรมะเนี่ยมาเอาเฮง <c oughs> พวกเราชาวพุทธเฮงต้องเฮงด้วยตัวเองนะ <c oughs> นอกากนั้นคือโดนหลอก <c oughs> ไปซื้ออันนี้มาห้อยอแหมครลัง เฮงมันจะเฮงอะไรนักหนามันเฮงให้คนทําขายนั่นแหละว่าไงคุณวนว่าไงมวนจะรบกวนหลวงพ่อช่วยเข็นควายอีกรอบนึงได้ไหมคะเมื่อกี้หลวงพ่อพูดตรงที่แบบว่าเอพระองค์ที่ถามว่ามจุราชไม่เห็นใช่ไหมคะเสร็จแล้วหลวงพ่อก็กําลังจะวนให้อีกรอบนึงแล้วหลวงพ่อก็จบค่ะหลวงพ่อมามาโผล่ให้หน่อยหนึ่งตรงที่ว่าเอจะเห็นโลกอย่างนี้ได้ในว่างเปล่าได้ต้อง ต้องเห็นโลกตามความเป็นจริงก่อนแล้วหลวงพ่อทําท่าจะต่ออีกรอบหลวงพ่อหยุด อ, อ๋อหยุดเพราะว่าพูดไปหมดแล้วการเห็นโลกตาม<ะ>ความเป็นจริงเขาต้องมีสติไงใช่นะกําลังจะวนอีกรอบวนก็กะรออีกรอบมีสติมีสัมมาสมาธินะไม่ใช่เทปนะนะวนไปวนมา <c oughs> จบแล้วจบเลย <c oughs> ไรฟังเอาเองมีซีดีเยอะแยะเดี๋ยววันนี้ให้โยเอาไปลงนะ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 ไม่ใช่นั่งภาวนาไปเกิดอะไรบุบบุบวาบวาบนั้นบอกบรรลุแล้วพอบรรล้แล้วก็มาหาหลวงพ่อนะจะให้หลวงพ่อรับรองให้ส่วนมากถูกฆาตกรรมกลับไปหมดเลยน้อยรายนะที่จะรอดเพราเราชอบนึกเราเองไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเก่งอะไรนะหลวงพ่อก็ถามเจ้าตัวเองอว่ายัางรู้สึกไหมมีเราอยู่คือถ้าเป็นพระโสดาบันนะั้นมันจะไม่มีเราล้ ถ้าบอกเป็นพระโสดาบันพระอนาคานะตัวเรานี้ยังเข้มข้นอยู่เนี่ยความรู้สึกว่ามีเรานี่ยังเข้มข้นอยู่ในจิตในใจเนี่ยไม่ใช่ของจริงหรอกะนี่เห็นแค่นี้ก็เห็นแล้วมันกิเลสนั่นแหละสักยัติทิฐิมันยังไม่ขาดแค่นี้ก็รู้ว่าไม่ใช่ยอย่าเชื่อง่ายนะค่อยรู้ค่อยดูค่อยสังเกตซ้ําแล้วซ้ําอีกสภาวะทำอะไรเกิดขึ้นค่อยสังเกตซ้ําแล้วซ้ําอีกหลวงพ่อนะเป็นคนที่เดินด้วยความระมัดระวัง ภาวนาเหมือนเดินอยู่ในสนามที่วางทุ้นระเบิดไว้เดินแต่ละก้าวนะแบบยังดูก่อนทุกทีไม่เชื่อมั่นอะไรแล้วลุยพรวดๆรวดพรวดพว ด, พวดนะสังเกตเราภาวนาไปจิตใจเราดําเนินไปอย่างนี้นีถ้าจะดีนะไม่เดินต่อจากจุดนั้นนะกลับมาที่เดิมใหม่มานับหนึ่งใหม่ทําอีกซ้ําอีกมันจะไปช่องนี้อีกแล้วรู้มันไปเอ อ, อย่างนี้จําไว้นะเดี๋ยวทอยกลับมาเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่นับหนึ่งเลย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 สบายโล่งไปหมดแล้วโลกธาตุนี้เปิดสว่างไสวหมดนะก็ยังไม่อยอมเชื่อนะเดี๋ยวขอดูหลายๆวันกันเคยมีองค์หนึ่งนะสอนหลวงพ่อไว้องค์นี้ท่านก็อัศจรรย์พระจริงคือหลวงพ่อกิมหลวงพ่อกิมวัมปดป่าดงครูท่านรู้ว่าเราไม่ค่อยได้อยู่กับครูบาอาจารย์ท่านสั่งไว้เลยประโมดถ้าสภาวะทาใดๆเกิดขึ้นนะประมดดูมันสามเดือนนะอ่ะ ถ้าสามเดือนนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงนล่นนะมันค่อยเชื่อได้นะนี่ให้ดูทั้งสามเดือนหน่อยนะคือ <c oughs> ถ้าน้อมใจเชื่อนวภาวนาวบว่างไปหมดแล้ว้รารู้พระอรหันต์แล้วนะนอนตีภูมิคนนี้นกิเลสหามอาไปกินเลยเราก็ต้องไม่เชื่อนะค่อยๆดูค่อยๆสังเกตโอ้จิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสว่างสวัยเนี่ยมันมองได้มันมัวได้อีกเลยไม่ใช่ละไม่ใช่ของจริง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 เอาเหลืออีกสามสี่นาทีเอเดี๋ยววันนี้อากุศลจะให้ผลหลวงพ่อด้วยหมอจะมาจับฉีดใหญ่กแล้วเอาใครจะถามเชิญมีไหมอ่ะได้สักคนสองคนนะ่ะครับนมัสการหลวงพ่อครับเพิ่งเพิ่งมาเอา่อยกไมเอเออเพิ่งต้องเออยังเพิ่งมามีโอกาสฟังหลวงพ่อเอ่อครั้งนี้ครั้งที่สามเคยไปฟังที่ศาลาหลวงชินมาก่อนนะครับแล้วก็ฟังซีดีมาบ้าง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 คนทั่วไปหลงนานตื่นขึ้นมานั้นหลงเลยหลงจนค่ําจนดึกเลยนะหลับไปก็หลับไปกับความหลงเองของเราให้หลงบ่อยๆใจเราเหลือแวบไปเรารู้ทันแวบไปเรารู้ทันเนี่ยใจแอบไปิดอีกแล้วทราบไหมของคนมันติดเยี่ยไปนิดนึงมันติดจนซึมเลยบางทีพอพอรู้ว่าหลงเนี่ยอมันก็มีความรู้สึกตัวขึ้นมาแต่ว่าพอรู้ว่าเพ่งมันไม่ออกมันจะไม่ไหานะครับ เพาตอนที่หลงเนี่ยจิตเป็นอกุศลตรงที่เพ่งมันไม่ใช่อากุศลเพ่งนจิตมันพยายามทํากุศลมันอยากปฏิบัติทำเพราะงั้นพอสติเกิดจิตที่เพ่งอยู่ไม่จําเป็นต้องดับแต่จิตที่เผลอเนี่ยเป็นอกุศลทันทีที่สติเกิด น, นะจะดับทันทีคนละสไตล์กันอันนึงเป็นความปรุงแต่งฝ่ายอกุศเลเผลอไปเนี่ยอันหนึ่งเป็นความปรุงแต่งฝ่ายกุศลการเพ่งไว้ การมาสุ่ค่ะลิกานุโยกการเพลิดเพลินไปทางตาหูจมูกริ้นกายใจนี่หลงไปนั่นเองเป็นอกุศลอัตตากิละมัฏฐานุโยกการบังคับกายบังคับใจเป็นความปรุงแต่งฝ่ายกุศลแต่สุดโตกสองข้างใช้ไม่ได้ทั้งคู่นะทั้งดีทั้งชั่วติดทั้งสองข้างเนี่ยติดฝั่งสองฝั่งสองฝั่งนะฝั่งซ้งงงายฝั่งขวาองคุณมันติดฝั่งเพ่งฝั่งประคอง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 เวลาเราเคลียร์หรือเราเครียดนะทำใจสบายๆให้ผ่อนคลายก่อนหลวพ่อแต่ก่อนเวลาทํางานพอทําไปเป็นชั่วโมงมันเหนื่อยแล้วใช้วิธีเดินไปห้องน้ําตอนเดินไปห้องน้ําเนี่ยดูจิตยังไม่ได้ดูร่างกายมันเดินไปก่อ น, นร่างกายมันไปยืนฉี่ใช่ไหมถ้าฉี่เสร็จแล้วมันรู้สึกสบายใจเยรู้ว่าสบายใจนี่กลับมาดูจิตได้แล้ขากลับเดินกลับมาเนี่ยดูจิตมาได้ละเพราะฉะนั้นถ้าเรากําลังทํางานตะลุมบอลกับมันนะเครียดอยู่อย่างนี้ย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 ไม่ช้าถ้าไม่ใช่งานอภุษล์นะไม่ใช่มือปืนรับจ้างอะไรเงี้ยไม่เป็นไรถ้นะางงานทางโลกสุจริตเนี่ยถ้าเราภาวานาเป็นเราจะพบว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้กินเวลาของการทํางานเราสามารถหลอมรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตประจําวันได้เมื่อไหร่เนี่ยเราภาวานาได้เลยในชีวิตของเราธรรมดาเนี่ยแหละอย่างหลวงพ่อแต่ก่อนก็ภาวานาตั้งแต่เป็นโยมนะตั้งแต่ตื่นนอนนีก็ต้องรู้สึกละ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 แต่ก็ยังมีรู้สึกว่าผมติดเพ่งหนักติดเพ่งใจยังเพ่งอยู่รู้ทันแล้วก็ไม่รู้ว่าทำยังไงไม่ต้องทําอะไรรู้เล่นๆแต่มันสับสนไปหมดเลยว่าอันนี้ถูกไหมสับสนให้รู้ว่าสับสนรู้ลงปัจจุบันเลยบางทีดูลมหายใจแล้วมันก็แบบหนักไปเลยนะหนักก็เราไปเพ่งแล้วบังคับจิตให้สงบต่อไปถ้าอยากอยากจะรู้ลมหายใจให้รู้ว่าอยากไปเพ่งลมหายใจให้รู้ว่าเพ่งหนักแล้วรู้ว่าหนัก